นนี้ก็เป็นวันที่สามในการแนะนำในการเจริกรรมฐานโดยพอย่างยิ่งในช่วงจนถึที่แล้วมาท่านให้แนะนำมาหาสิปฐานสูตรความจริงมาหาสิปฐานสูตรนี่ก็เป็นของไม่ยากยากไหมกึงจริงของพระเจ้าไม่มีอะไรยาก ไอ้ที่ยากมาเรายากมิใช่พระพุทธเจ้ายากนะต่จริงๆแล้วมหาสิทธานุสูต่มีมากแต่ว่านักเทศหรือว่านักคุยเรียตีความหมายผิดอาตมาเองก็เคยฟังมาเราบกว่ามหาสิทธานทั้งหมดถ้าทำได้คร่องตัวจริงๆง ต้องใช้เวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันจะ บ, บราารลุอรหันต์ความจริงกายเข้าใจแบบนี้ผิดถนัดเพราะพระเจ้าสอนเฉพาะหมวดจริงจรงแล้วนะมหาสิทานุสูตรมีหลสิบหมวดแต่ว่าไม่ต้องปฏิบัติทั้งหลายสิบหมวดให้ปฏิบัติหมวดใดหมวดหนึ่งถ้าทำได้ข้องตัว ถ้อยหวังผลสองอย่างคือหนึ่งอนาคามีสองอรหันต์ไม่หวังตอนต้นคืออัตโนมัิฐาไบเงศกิฐาคามีหวังสูงสุดตอผลจริงๆธรรมะติทานสุดก็คือต้องการความเปหรหัญอนาคามีไปอย่างน้อยยินดแต่หมดถ้หมดบดาธรรมุสุสปนสัจเห็นว่าพระเจ้าทรงลงไว้ว่าจะห็นกายไทยในหระอหินงกายไทยนอก เห็นนั่ง ก, า ย, า, ยกายภายในและกลายภายนอกยังไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุใดทั้งหมดในโลกนี้ถึงกายภายในถึงกายภายนอกที่นไหมถ้าอารมณ์เบือ่อเบื่อที่มันมีการขึ้นไปไม่มีการทรงตัมีการเสื่อมแปลงเสื่อมไปถ้ารู้ว่าการเสื่อมแล้วก็เริ่มเบือ่อเบื่อความเสื่อมตอนนี้เปรย์ลมว่านาคามี หากว่าเราไม่สนใจทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่สนใจกายของเราด้วยไม่สนใจกายของคนอื่นด้วยไม่สนใจวัตถุธาตุใดๆด้วยคำว่าไม่สนใจในที่นี้ก็จึงจะไปคิดว่าเราไม่ไม่สนใจนร่างกายไม่กินข้าวหิวก็ไม่กินร้อนก็ไม่อาบน้ำหนาวไม่ห่มผ้าอันนี้ไม่ถูกคาว่าไม่สนใจคือไม่ติดใจในมัน ไหมีความเข้าใจตามความจริงว่าร่างกายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและก็มีความและก็มีความคิดต่อเลว่าร่างกายนี้พังเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกร่างกายเห็นความเป็นคนก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีไม่มีความสุเจริงเราไม่ต้องการเราต้องการจริงๆรงคือนิพพาน ถ้าบรรดา ท, รท่านบริษัททำอารมใจัองท่านก่อนหลับก็ดีหรือตื่นใหม่ๆก็าตามไม่ต้องลุกขึก้นมานั่งนอนแบบนั้นตื่นใหม่ๆ ใ, ใจกาลังสบายสร้างความรู้สึกว่าร่างกายมันเสื่อมร่างกายเป็นของหน้าเฟือหน่ากลายร่างกายต้องตายในสุดเราไม่ต้องการร่างกายแบบนี้อีกเราต้องการจุดเดียวคือนิถีพิดฝังจริง ถ้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงทำอย่างนี้ก่อนหลับก็ก่อนตื่นเรื่องตื่ใหม่ๆไม่ต้องนั่งทํามันนอนคิดมันใช้ปัญญาเวลานั้นเกิดอารมณ์เบื่อชั่วขนาดจิตเดียวไม่หวังร่างกายจริงแค่ขนาดจิตเดียวจิตก็กลับคืนๆทรงที่ตามเดิมเพียงเท่านี้บรรดาแต่พุทธบริษัทขอยืนยันว่าชาตินี้ก่อนท่านจะตายจะเป็นป้าหลานพันิพันแน่ ที่เราตอนนี้เมืองตนนะเอ้ยวันนี้เป็นเรื่องของน้าวสีรู้จักน้าวสีไหม ย, ยิ้มยิ้มแสดงรู้จักหน่วาสวสีนอนโณวเวนสอเสือรีหน้าวสีน้าวทำไว่าก้าสีาบบาสมายะสีภาเุาการนอนนอนก้าวท่าถึงไหมนอนกี่ท่า คืว่านวำมสีใหมายที่ปัจฉาปัจฉาคือคนตายคนตายเขานอนใช่ไหมแล้วแบบเก้วาวมีลักษณะอาการตายฮตายไปแล้วมีลักษณะเ้าอย่างอย่างตายได้หนึ่งวันมีลักษณะเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงสมวันเป็นยังไงขึ้นฟองเป็นยังไงแล้วในที่สุดก็เหลือแค่กระดูกกระดูกหนังลอกออกบดหรือกระดูกล่นจนันท กระดูกต้นจ้นเนี่ยกาะกันต่อไปกระดูกก็หลุดจากกันในที่สุดกระดูกกระดูก็แตกกระจายกระใจายไปพื้นดิ่งควาจริงแล้วก็ไม่ต้องอธิบายอธิบายก็เสียเวลาให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี่มันต้องตายแ ล, ะละ้วลักษณะการตายเขาแต่ละบุคคลถ้าตายแล้วมีอะไรดีบ้าง เราจะไม่มองเห็นความดีของคนที่ตายแล้วเพราะในเมื่อธาตุปิดพ้นจากร่างธาตุลมเป็นลมหายใจสลายตัวธาตุไฟคือความอบอุ่นสลายตัวเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำในเมื่อร่าง ก, กายจะมีธาตุสี่มื่วานที่พูดธาตุสี่ธาตุดินทรงอยู่ได้ร้อสายธาตุน้ำลอยเลีเ้ยง แล้วก็ใช้ธาตุไฟอบ อ, อุ่นไว้ไม่ให้น้นทำลายดินแล้าใช้ลมลมหายใจแล้วออกไปเครื่องประคับคปรคองไฟไม่ให้ดับต่อมาขั้นสุดท้ายธาตุลมสลายตัวก่อนลมหายใจสลายตัวถ้าที่ใดไม่พัดลมไม่พัดอากาศจะมีไฟดับไหมดับนะก็เหมือนกันร่างกายลรก็เหมือนกัน เมื่อธาตุตกลายตัวแล้วธาตุไปก็ดับเมื่อลมไม่มีไปดับขาขความอบ อ, อุอน่นน้ําก็เริ่มละลายดินดินไม่มีเพื่อนไม่มีที่อาศัย <c oughs> ต่อไปการเน่ากรดรากดรดแพก็เกิดเป็นสีเขียวต่อไปก็ขึ้นอืดเรียนน้อยเรีน้อยจะนําเหลืองไหลต่อไปก็เมฆกายสุดสมเมื่อลงความแล้วว่าขึ้นชื่อว่าคนตายแล้ว หาความดีได้ยากทิ่งที่เรามองเห็นว่าดีกันจริ ง, รงๆเขาหาสมาคมกันได้ก็เพราะว่ามีลงไมยใจเขาออกมีภาตมีวิญญาณหรือมีจิตในเมื่อจิตสลายจากกายไม่ทอดดีกว่าร่างกายของเราคือไม่ทอดนี่มันไม่เน่ากายของคนเรามันเน่าแังนั้นพระเจ้าจะแนะนําในกองนี้ าให้ทุกคนนึกถึงบุคคลที่ตายแลนึกถึงสัตว์ที่ตายคนก็ดีสัตว์ก็ดีตายแล้วมีสภาพเป็นยังไงก็จะมีแต่ความน่าเกลดขึ้นมาทุกวันยิ่งนานวันความเน่าก็จะ ม, มีมากขึ้นเมื่อเน่าถึงดีสุดน้ำเหลืองไหลหมดแล้วร่างกายก็มีสภาพยุ น้ำหมดไปน้ําจะดินดินก็ยุบตัวเสียน้อยแน้อยน้ำก็เข้าส่วนธาตุดินที่เป็นเบ้ก็สลายตัวไปแห้งเหลือแต่เสืาอผ้านหนังหุ้มกระดูกทั้งหมดนี้ขางบรรดาท่านบริษั ท, ทลองคิดดูว่าเสืผ้าของร่างกายเปของน่ารักหรือไม่น่ารักแต่ท่าได้ดูเวลาที่ตายแล้วนะให้ทราบตามความเป็นปจริงว่าร่างกายเป็นอย่างนี้ ในสมัยที่พระเจ้ทาทรงแนะนําเรื่องนวำสีก้าวคือระชาเกอนอย่างอาการตายมันมีตายแล้วมีลักษณะดเกา้าอย่างไม่ขออธิบายก็เพื่อทุกคนเกิดความเบื่อหน่ายตามความเป็นจริงของร่างกายคือที่พูดมาแล้วทั้งหมดการแก่ก็ดีการป่วยก็ดีการตายก็ดีมันเป็นของธรรมดาของร่างกายเป็นความจริง หรือตามพระบางองค์เขาเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมสั จ, จคือความจรงิงธรรมะส่งไว้ทรงไว้เพื่ความจรงิรงครวมความว่าวร่างกายไว้ทําลายความจรงิงจะรักษาพยาบาลแบบไหนเยบยาแบบไหนก็ตามร่างกายต้องโสมทุกวันและในที่สุดร่างกายเข้าถึงความตายตอนนี้เป็นสมถะภาวนานะ เรามองมาดูที่ลักษาหน่กยคนตายเป็นอะไรบ้างนอกจากมรณะมิติกรรมฐานนึกถึงความตายแต่พูดถึงกรรมฐานสี่สิบก็เป็นมรณะนิติกรรมฐานนึกถึงความตายแต่ลมต่อมาก็มาเน่งความเี่ยวแห้งของร่างกายความขึ้นอึดของร่างกายน้ำเหลืองไหลจากร่างกายเป็นใบร่างกายมีสภาพสุปปกตกตอนนี้เป็นอสุ ป, ปกรรมฐานใช่ไหม ถ้ารวมตัวแล้วเรียกกายเนืตานุติร่วมก็เอาสุภกรรมฐานนี่เข้ากรรมฐานสี่สิทธิี่พระเจ้าทรงเทศที่ไม่มีอะไรขัดกันถ้ายึดถือกรรมฐานสี่สิทเป็นพื้นฐานนี้ไม่ขัดเลย <c oughs> รวมความมั่นในขั้นแรกพระเจ้าอนิจถึงความตายว่าเราต้องตายแน่ถ้านึกถึงว่าตายจะได้ไม่มาแต่ชี้ในข้อที่หนึ่งเนะ น, นี้ยสำหรับเนอสีเก้าเนี้ย จริงความหมายและก็ตอนทีส่งพระเจ้าไอ้เห็นต่างความเป็นจริงของร่างกายก็ร่างกายนี่เต็มไปด้วยความตกบตะโสโครก <c oughs> ที่น้ารักหน้าคบหาสมาคมเพราะมีชีวิตเจียงทรงตัวอยู่ในผู้ภาษาไทย <c oughs> ในเมื่อชีวิตเจียงทรงตัวอยู่คือจิตวิญญาณยังอาศัยอยู่ ร่างกายยังมีความเคลื่อนไหวได้ทาทุกสิ่งทุกอย่างได้บำรุงรักษาตัวเองได้อย่างนี้ยังน่ายเพระยังยังกำลังหน้ามันบหาสมาคมพอสภาพของจิตสลายจะร่างกายไปตอนนี้ไม่มีใครบังคับประสาทปกติเราใช้จิตบังคับประสาทประสาทเป็นโซนเซมากเกินก็บังคับจิตก็บังคับให้ทรงตัวอยู่ตามกําลัง เมื่อจิดหมดสภาพไปแล้วธาตุลมก็หายธาตุไฟก็ดับธาตุน้ำก็ละลายดิดย น, น, นเกิดความเน่านาเกล็ดอันนี้เป็นอสุภกรรมฐานยัไงไงโดยความว่าในมหาสิษธานสูตรต้องเพียรกรรมฐานสี่สิเมื่อเราทุกคนเห็นต่างความเป็นจริงก็ร่างกายเกิดมาแล้วต้องตาย อันนี้ในกรรมฐานจิตเรื่ อ, รองมรนามุสิกกรรมฐานเมื่อละควายก็ร่างกายตายหรือไม่ตายก็ตามความสม บ, บุกสมบูรณมีอยู่น้าเลือดน้าเหลืองน้ําหนองที่ไหลแจ้ร่างกายเมื่อตายแล้วความจริงมันไม่มาภายหลังมันมาก่อนแล้วของทั้งหลายแล้วนี้มีร่างกายแใจจิตบังคับไว้บังคับประสาทประสาทคุมอยู่เมื่อจิตสลายตัวไปสิ่งทั้งหลายแล้ว น, นี้ก็ ว่ากระตามารมุมน้ำก็ไหลละลา ย, ลลายดินก็ไหลออกมารวงความไม่เห็นว่าร่างกายไม่สภาพนี้ก็เกิดนิจชายยาใหญ่ความเบื่อหน่ายตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าท่นนะเพราะว่าหมาติฐานใ้สูดรจะหวังวานาคามีเป็นเบื้องต้นและหวังอะไรนั่นคืขั้นสุดท้ายหวังสองอย่างไม่จะหวังโชดายสิทากา ใ น, นเบื้องแรกก็เกิดที่วิทา ย, ยานความเบื่อนเมื่อตรงไหนล่ะเมื่อที่ร่างกายาประกอบขุมมดขนาดไหนก็ตามมันก็แก่ทุกวันในที่สุดมันก็ตายความไม่ทรงตัวความเปลี่ยนแปลงการเสื่อมไปของร่างกายเป็นอย่างนี้และปกติก็ร่างกายเต็นเมไปของตกวระบบโซ่โคตจาระกดระะ็ ด, กดีปัสาวะก็ดีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองนนก็ตาม ทั้งหมดนี้มันเป็ของโศกโศกเป็นของน่าเกียดตอนนี้แสปสุภัญญาเ <c oughs> มื่อเป็นอย่างนี้เกิดความนังเกตียดเกิดขึ้นความเบื่อก็เกิดเมื่อเมื่อความเบื่อเกิดจิตจะยับยันก็จะเริ่มเกิดตอนละวะยะเวลาที่ความเบื่อเกิดขึ้นตามในลึศนายันเก้าชั้นเรียกว่า น, นี้กิธายาน <c oughs> มนิพพัยยานคือความเบื่อหน่ายอันนี้เป็นสมุทัยแล้วก็วอนาคามีค่อยเคยคิดก็เคยทํำนะอย่าจูโจมเกินไปจูโจมมากเกินไปบอกว่าเบื่อร่างกายเบื่อร่างกายนี่เองเจงมาไร้ลายแล้วเ <c oughs> นาะเราเบื่อถึงที่สุดที่สมเจ็นงไปเลยต้องค่อยๆทําค่อยๆคิดดูตามความเจริญร่างกายของเราเนยเมื่อจิตวิญญาณจะมีอยู่ ส่วนไหนมีไหมที่มันมีการทรงตัวดูตั้งแต่ปลายนิ้วเข้ามานิ้วมีการทรงตัวไหมนิ้วยาวเท่าเดิมเพราะอาการเปลี่ยนแปลงเขคือภาพของนิ้วมันมีอยู่มันพองขึ้นบ้างมันหียวยงไปบ้างดูเบื้องสูงมีสภาพทรงตัวไหมนั่นคือผมผมมีสภาพผมนี่มีสภาพไม่เน่าแต่ผมก็มีสภาพไม่ทรงตัว ก็ว่ามันยาวขึ้นทุกวันถ้ายาวเกินพอดีเราก็ต้องตัดผมไว้เพื่อพอดีอันนี้ไม่มีการทรงตัวเหมือนกัน <c oughs> ไม่ดูหนัง <c oughs> หนังนี่กเบรีสภาพไม่ทรงตัวถ้าทรงตัวจริงๆเราละอาบน้ําขัดสีเชื้อจุลินทรสะอาดแล้วไม่ต้องทําใหม่อันนี้เราต้องสร้างความสะอาดให้มันใหม่ทุกวันทุกเ ว, กวลา การจริงร่างกายหลังก็มีสภาพไม่สมตัวรวมแล้วทั้งหมดร่างกายทั้งหมดไม่มีอะไรสมตัวมีความเสื่อมไปเป็นปกติเพราะอาศัยที่ร่างกายมีความเสื่อมทะนุถนอมไม่สมตัวพุทธเจ้าทรงแนะนํำให้สร้างนิพิทชายันติความเบื่อนหน่ายในเมื่อดูร่างกายของเราไม่สมตัวมีความเสื่อมเป็นปกติท่านี้เดียวไ ก, กในกายน้ำหว า, านปนศาสนตุนเดี่ยวกกาย ถ้าตอนนี้เป็นกายยาโนตากายยาพัฒนาสติมหาสติฐานบ้านก็เรื่องกายให้ดูกายภายในคือกายในคืกายของเรากายเรามีสภาพเสื่อมอย่างนี้ต่อไปแค่ดูกายภทยนอกคือกายคนอื่น <c oughs> กายคนอื่นมีสภาพเสื่อมไหมคนที่สุดมันก็เสือ่อมเหมือนกันในเมื่อเห็นเราก็เสื่อมเขาก็เสื่อม เราจะหวังเอาตัวเราเป็นที่ที่หัวเรามันจะเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันเริ่มจะสลายตัวเอาร่างกายคนอื่นเป็นที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะมันมีการไม่ส่งตัวไห่กันมีความเสี่อมเหมือนกันในเมื่อร่างกายทั้งร่างกายเราร่างกายเขากายภายในกายภายนอกคําว่ากายภายในทีร่างกายของเรากายภายนอกขอกร่างกายคนอื่นมีสภาพเหมือนกันอย่างดีก็สร้งางความเป็นจริงส้างความเบือ่อ ค่อก็คิดวันหนึ่งถ้าจะเบื่อสักบาทีก็ใช้ได้ไหมายไหมอ่ไม่ไปใจร้อนเลยนะถ้าจิตรู้สึกมีความเบื่อจะต้องนิจิชา ย, ยานจริงๆวันหนึ่งนาทีเดียวใช้ได้ให้มีความรู้สึกตามความจริงนั่งมองต้งแต่เท้าถึงที่สัตว์สัตว์เท้านะดูว่าความเสื่อมันมีอย่างนี้ความแก่ได้แค่ว่าใกล้เต็มทีแบบนี้ เราไม่ต้องการร่างกายที่เร่ามอย่างนี้ต่อไปอีกเพไม่มีแต่ความทุกข์ถ้านึกถึงทุกข์เวเรียสัตว์เห็นว่าความสุกข์ก็ปรกโศโรคขางร่างกายเป็นสมบถะภาวนาแตงร่างกายมีสภาพว่าความเสื่อมไม่ทรงตัวนี่เป็นนิพพัฒนาภาวนาอธิบายไว้เลยนะเดยจะไม่รู้ว่าตอนไหนเป็นสมถะเป็นนิพพัฒนาใเมื่อความเบื่อเกิดขึ้นถึงที่สุดเราไม่สามารถที่ยับยั้งมันได้ จิตยอมรับนับถือธรรมดาก็เกิดขึ้นแม้ที่ตัวปัญญาอันนี้ปัญญาใหญ่เห็นความเสื่อมของร่างกายเป็นตัวปัญญาไม่ทํามิจฉนาจเป็นตัวปัญญาปัญญาอย่างกลางปัญญาเ ข, ขาอาาคามีในขั้นสุดท้ายร่างกายไม่ทรงตัวแนจิตวางเฉยมันจะเฉยจริงๆแล้วไม่เฉยมันก็จําเป็นจะต้องเฉย ถ้าความแก่มันจะเกิดขึ้นใครห้ามความแก่ได้ความป่วยไข่มันสบายเกิดขึ้นใครห้ามความป่วยไข่มันสบายได้แต่ความตายมันจะมีขึ้นใครห้ามความตายได้ในเมื่อมีปัญญามีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนี้ใครห้ามไม่ได้มันจะต้องเป็นไปตามกฎ้นธรรมดาในที่สุดจิตทราบว่าสู้ร่างกายไม่ได้ กายจะทรงสงภาพสภาพต่างความเป็นจริงของเขาจิตก็ยอมรับเขาเมื่จิตยอมรับแต็ที่นี้คือจิตเริ่มมีปัญญาปัญญาสูงมากขั้นต้องสูงนะจำไม่ได้ยอมรับนับถือกฎขั้นธรรมดารู้ตามความจริงรู้ทุกวันและก็ไม่เผลอก็ร่างกายของเราจะไม่ทรงสภาพอย่างนี้มันจะต้องเดินเข้าไปหาความแก่ทุกวัน ความทุส่งมันจะมีกับร่างกายทุกวันอาการอย่างนี้เป็นธรรมดาเพรมันมันอยากจะเป็นโจรเป็นไปในขณะที่ทรงร่างกายอยู่โรคภัยไข้เจ็บก็ต้องมารบกวนเป็นของธรรมดาตามที่พระเจ้าตรัสว่าร่างกายเป็นโลกินทางมันเป็นรังของโรคอ้นี้เป็นถือว่าเรื่องธรรมดาของร่างกายวันมันป่วยคือมันจะป่วยได้ก็มีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายมันก็ไม่ป่วย ถือ ว, ว่าธรรมดาก็เป็นอย่างนี้แล้วก็วางเฉยหน้ากายของมันถ้ามีทุกเวทนาก็ราาักษาพระงัด ก, ก็ทุกเวทนาถ้าราาักษาไม่หายไม่จะตายก็ตามใจมันอันนี้เป็นสังขารุเปเกิขายให่ในที่สุดแม่ร่างกายจะทังคือจะตายจิตใจก็ยังวางเฉยถือ ว, ว่าเรื่องธรรมดาของร่างกายมันต้องตายในที่สุดอย่างนี้ไม่ไกล อันนี้เลยนั่งสีก้านั่งสีเือความตายประชากรต่อมาเมาื่อจิตค่ อ, คอยๆคิดมันจะวางเฉยวันสระทีสมบีก็ช่างพยายามฝึกเฉยน่าอารมณ์ร่างกายหิวต้องให้ไม่นกินไม่เยไม่ใช่ว่าไปเฉยไม่ให้ไม่กินนะมันเฉยแต่ว่าความเสื่อมเกิดขึ้นเราถือว่าเป็นขอนน้อธรรมดาจิตใจไม่ริ้นรน ความป่วยไข้ไม่สมบายมีขึ้นต้องรักษาได้ใจไม่บุนไายไม่มีความทุกข์เกินไปเมืความป่วยแต่ความตายเข้ามาถึงเราเราไม่หนักใจใครว่าไม่หนักใจที่นี้ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนเนี่ยถ้าจิตใจค่อยๆเฉยวรณนิชเลยมากไม่ใจลงนะนมากก็หัน ย, ย้ายเดี๋ยวถ้าหันนั้นอายคือค่อยๆวรณนิชเอาเวลาไหนก็ได้ เวลาที่ไม่มีใครกวนใจสมมติดาวกลงวันทั้งวันเหนื่อยมากเวลาเรา่ําก่อนหลับทรงตัวแล้วก็อยู่จิตไว้ด้วยทรงอารมณ์ก็ใช้เวลาเช้ามืดนอนสักตื่นก่อนพอตื่นเขามาลปัตตก่อนนึกว่าร่างกายทั้งหมดมันเต็มไปด้วยความสุขกระกบกสโคร ค, รคมันเสื่อมพุทโธมทุกวันในที่สุดก็นอนตายถ้าตายแล้วไม่ท่อนดีเพรร่างกายเรามากก็มันไม่เนา่าร่างกายเพราะมันเนา่า ความชิ้นความมันหมดความชิ้นเสื่อมต่างๆเยอะๆต่อตื่กายมาดเจ็บหรือว่าร่างกายสภาพมันเป็นอย่างนี้มันจะเสื่อมเป็นหน้าที่ของมันใหญ่จะเสื่อมก็เชิญเสื่อมเราไม่หนัดใจกับความเสื่อมถ้ามันจะป่วยแค่ไม่สบายห้ามมันไม่ได้มันจะป่วยก็เชิญป่วยทุกวันนี้วิทนาย่อมมีไปกนธรรมดาแต่ใจไม่วุ่นวายเลื่นไส้ที่ว่าการป่วยของร่างกายเป็นของธรรมดา แล้วก็ถ้าร่างกายจะตายก็ถือว่ามันอยากจะตายขึ้นมาละมันก็ตายตายแล้วจะไปไหนต้องเตรียมตัวก่อนเมื่อสร้างความรู้สึกอย่างนี้ก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมอันดับแรกเรายังเป็นพระอนาคามีไม่ได้ก็กําลังใจไม่ถึงจุดจบ <c oughs> ถ้าต่อมาเป็นพระอหังก็ยังไม่ได้ทางไหนถ้าเป็นพระอนาคามีไม่ได้เป็นพระอหันไม่ได้ แล้วก็อยู่ในขอบเขตข้อยภูุปนั่นหมายความว่าถ้ามีอาการพลาดทั้งเมื่อไรต้องลง ม, มาใบอุปเมืนั้นก็ต้องหาวิธีป้องกันอันดับแรกเราต้องกัารูุปไม่ก่อนอย่าเผลอนะเพือในหนึ่งไม่ลืมความตายมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายความจริงอย่างนี้ไม่ต้อนึกทั้งวันเป็นด้เพียงว่าพอตื่นเช้าเมื คิดว่าเนี่ยรอล่อลอตายมันอยึ่งวันต่อไปเบื้อหน้าไปถึงเช้าวนี้อาจจะตายก็ได้เราทราบไม่ได้ก <c oughs> ็ต้องหาทางป้องกันอะบายภูมิไว้ก่นอกนวิธีป้องกันก็คือว่ายอมรับนับถือพระบรมเจ้า พ, พระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในความดีของท่านอย่างนี้ไม่ลงระบายภูมิแน่จะเผลอไม่ได้เหมือนกันนะถ้าเผลอไปคว้าเอาเอาเอ า, เอาบทศนิธรรมก็อนนิดเดีวยว ก, ก็ลงระบายภูมิ ในเรื่องการป้องกันใบภูมิริงยกกําแพงใกล้คือสินห้าหรือกําหนดสิบ <c oughs> ถ้าสินห้าก็ถือว่าผู้เข้าถึงปรส น, นาคมกันได้เฉพาะาติถ้าเป็นกําหมดสิเป็นบระโสดาบันในสิบิทาคามีอย่างนี้กันคาว ร, รีไม่ลงกันต่อไปอีกยังไม่ถึงที่ผ่านเพียงใดก็ตามยังไม่ลงไม่ลงถัวไปเลยคุณจะรวมความว่าวันนี้แนะนำเรื่นวำสี ก็คิดไม่ออกเหมือนกนันยจะไปไหวไม่ไหว ไ, หวไม่ไหวเพราะวันนี้ร่างกายมันแย่มากมันแย่กว่าเจิญแย่ไปนะเห็นนางเพลเขาหลบมาก็เลยต้องพูดให้ฟังเรื่องร่างกายไปไเป็นยังไงไปเรื่องของร่างกายดวงควาวนาว่าสีนะวะแปลว่าเก้าให้ศีรษะจะเป็นไปในความนอนใช่ไหมท่านแปลเป็นภาษาไทยว่าบ่าชาเก้าคือก้าสมนาชความตายเก้าอย่าง ตายในี่สุดสรุปแล้วมีสภาพเหมือนกันคือตายแล้วเราเห็นว่าสุดโปก่งแล้วก็จงจำไว้ว่าร่างกายของเราต้องตายแน่ถ้าบองร่างกายของหนึ่งนกตายเขาตายได้เราก็ต้องตายได้ไปคิดเึื่งความตายถ้ามองร่างกายร่างกายของเราเมื่อก่อนจะตายาไอ้น้ําเลือดน้ำเหลืองน้นหนองมันมาจากไหนก็เราทราบว่ามันมีในร่างกายแล้วถ้าสายจิตควบคุมอยู่ บังคับประสาทเราเลือกดต่างๆน้ำหนอนยังไม่ไหลพอเวลาตายจิตออกจากร่างความสงบลงก็เกิดขึ้นตอนนี้ท่านบอกว่าให้สร้างความเบือ่อแต่ร่างกายเสียอารมณ์เบื่อเป็นอารมณ์ทมอนาคาเมีแต่ว่าอย่เป็นอนาคามีแล้วไม่ต้องดูแบบนี้นะถ้าความเบื่อเกิดขึ้นจริงๆเมื่อจริงๆเกิดขึ้นเรื่องวันนี้คือทา ย, ยาท เรามีสองอย่างจะค่อยๆ อ, อ, อ่อนตัวลงนั่นคือความรักในระหว่างเพศกับความโกรธ ถ, ถ้าแค่อ่อนลงนี่ยังไม่เป็นอนาคามีค่อยๆจะไปหาอนาคามีถ้าถึงพระนอนาคามีจริงๆความรู้สึกระหว่างเพศความต้องการความสวยสดงามเรื่องเพ้อถูกต่างๆนักคุณก็ตามไม่มีตัดความรู้สึกความสวยสดงานออกไปจากใจมันไปเลยไม่กลับมาอีกแล้ว เาบริการดูสองความโกรธความไม่พอใจจริงๆไม่มีเหลือแต่ก็มีอานสี่ <c oughs> อย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าเป็ น, นาคามีแท้แต่มหาสิทธานล่าสุดให้หวังพระอรหันในข้อสุดท้ายจะบอกว่าพิกเวดูกรยิสุรงไลเพิ่มหลายเจ้าพิจารณาเดนหนึงหน่งว่าเราไม่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างในโลก ไม่ติดในร่างกายเขาเราไม่ติดในร่างกายเขาบุคคลอื่นไม่ติดในวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดคื่ seguir, อมีอารมณ์วางเฉยอันนี้เป็นสังขานเวทายายแต่ลมพระราหันอรมันดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านคิดว่าจะพูดไป wow ไม่ไหวมึงก็ไหวยังไม่ตายอ่ะถ้าตายแล้วพูดได้ไหมแค่ได้พูดอะไรกระโดดบ้านมันนั้นเนี่ยเอ้ยนั่นมันยังไม่ตาย แจ้วเายใจกคุยต่อไปตอนนี้ไปผมได้ญาติโยมทุกคนตั้งใจสมาทานประการฐานสมาทานสี